ซึ่งน้อยนักที่เราจะพบในที่อื่นๆทั้งสองรูปแบบนั้นก็คือรูปแบบจำนวนที่ย้ำไม่เห็นอย่างชัดเจนและยอมรับในที่สุดรูปแบบจำนวนการสอนให้จบาประการที่หนึ่งจำนวนที่ย้ำไม่เห็นอย่างชัดเจนและยอมรับในที่สุดคือคำเพียรอัลกุรอานจะเสนอหลักฐานที่เกี่ยวกับการให้เอกภาพต่อว่าโดยระบุถึงหลักฐานที่บ่งบอกถึงการไม่เอาล้อ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 วิธีนี้จะมีมาในรูปคำถามและคำตอบเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าบทอันอับจึงเป็นบทมัคคิยาที่มีความยาวและความสำคัญในการเผยแพร่เชิญชวนสู่อิสสระซึ่งประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงต่างๆประกอบการให้เอกภาพต่อรอในด้านการสร้างและการดำเกิด กล่าวถึงท่าทีของพวกปฏิเสธสภาต่อศาสนาทูตและเรื่องราวของคนรุ่นก่อ น, ก, อนกล่าวทุกวันฟื้นคืนชีพและวันเห็นการตอบแถนความดีความชั่วพร้อมทั้งได้กล่าวถึงบิดาแห่งบรรดาศาสนาทูตคือท่านละวีอิบรอฮิมอะไลสลาซึ่งเรื่องราวของท่านนั้นเป็นอุทาหรณ อ, นอนันยิ่งแก่พวกเราทุกคนซ้ายเหตตั้งชื่อบทนี้ว่าอัลอัลอา เพราะในบทนี้มีเรื่องเกี่ยวกับปสุสัตว์และสัตว์สีเท้าอันได้แก่ปูอ้วแพะและแกะดิสมิลลาฮิ์มานิอฮมระนามอัลลอฮผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ l h a m d u l i l ล a า i ิลล l ี h i khanaqas al-sama'at wa al-ard wa jā'ala a l ข้บบาสนับ ส, สน้นเป็นสิทธิ์ของ Allah ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและได้ทรงให้มีความมืดและแสงสวา่างแต่แล้วบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นก็ยังไม่มีสิ่งืืนเท่าเทียมกับพระผู้ยบานของพวกเราฮันแล้วที่ خلقكم م นุนมร ะ, ะ, ะอััจจลลาวออุุมมมมซนงค์ถือผู้ทีมมท่ท ร, ร ง, ทงบังเกิดพวกเจ้ามาจากดินและได้ทรงกำหนดเวลาแห่งความตายไว้และกำหนดที่ถูกระบุไว้อีกอย่างหนึ่งนั้นอยู่ที่พระองค์แต่แล้วพวกเจ้าก็ออยังสงสัยกันอยู่ โว้ห์ว่อ Allah, าอัลลอฮ์ที่สวรรคาและที่โลกแลอมรรู้สิ่งทีะนวกและเจ้าขิงและเปิดเผยและรู้สิ่งที่วาก ว, ว ก, ากำลังทำอะไรอยู่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 แน่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธความจริงเมื่อความจริงนั้นได้มาอย่างพวกเขาแล้วข่าวคร า, าวของสิ่งที่พวกเขาเคยเยอะอย่างเวนั้นก็จะมาอย่างพวกเขา พวกเขาไม ر ได้เห็นดอกหรือว่า กี่ประชาชาติมาแล้วที่เราได้ทำลายมาก่อนหน้าพวกเขาซึ่งเราได้ให้พวกเขาเคยมีอำนาจและความสามารถในแผ่นดินซึ่งสิ่งที่เราไม่ได้มีให้แก่พวกเจ้าและเราได้สงฝนมาอย่างพวกเขาอย่างมากมายเราได้มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของพวกเขาและเราก็ทำลายพวกเขาเสียเนื่องด้วยบรรดาความผิดของพวกเขา และเราได้มีประชาชาติอื่นเกิดขึ้นหลังจากพวกเขาแล้ว ال เราได้ลงมาแก่เจ้าซึ่งคำพีฉบับหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในกระดาษ และพวกเขาก็ได้สัมผัสคำพินั้นด้วยมือของพวกเขาเองแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาย่อมกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อื่นใด น, นอกจากมนมายาผลอันชัดแจ้นเท่านั้นพวกเขาได้กล่าวว่าขนาดไหนเล่า มลัจึงไม่ได้ถูกลงมาให้แก่เขาและหากว่าเราได้ให้มลักลงมาแล้วแน่นอนกิจการทั้งหลายนั้นก็ย่อมถูกชี้ขาดและพวกเขาก็จะไม่ถูกรอคอยหากว่าเราได้เขาเป็นมลัก แน่นอนเราก็ย่อมให้เขาเป็นคนผู้ชายและแน่นอนเราก็ได้สิ่งที่พวกเขาคลุมเครือกันอยู่เป็นที่คลุมเครือแก่พวกเขาต่อไ ป, แ, อไปแน่นอนบรรด า, าศาสนาทูตก่อนเจ้านั้นได้ถูกเยาอะอยั่งมาแล้วดังนั้นจึงได้ ร้องบรรดาผู้ที่เย้หยันศาสนาทูตเหล่านั้นไว้ซึ่งสิ่งที่พวกเขาเคยเย้ยหยันกั น, น, น, นจงกล่าวเถิดมังมัดพวกเจ้าจงเดินทางไปในแผ่นดินเถิดแล้วจงพิจารณาดูว่าบรรนปลายของผู้ปฏิเสธสถานนั้นเป็นอย่างไรบ้าง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 ว่าสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของใครชงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าเป็นของอรรถพระองค์ได้ทรงกำหนดความเมตตาไว้ในตัวของพระองค์แน่นอนพระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าไปสู่วันกิยามะโดยไม่มีการสงสัยใดๆในวันนั้นบรรดาผู้ที่ทำตัวของพวกเขาขาดบุงนั้นพวกเขาก็จะไม่สำเท็จ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 จงกล่าวเถิดฉันจะยึดถือผู้คุ้มครองอื่นจากอวโลกระนั้นเือซึ่งพระองค์เป็นผู้ทรงประดิษฐ์บรรดาชั้นฟ้าและกันิีและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงให้อาหารและไม่ถูกให้อาหารจงกล่าวเถิดมฮัมหมัด ว่าแทที่จริงฉันนั้นถูกใช้เป็นคนแรกในหมู่ผู้ที่สวามีพักและพวกเจ้าจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้ให้มีภาะที่เป็นอันคาาาารับต้องกล่าวเถิดมุ่งหมัดว่าแท้ที่จริงฉันกลัวการ ล, ลงโทษในวันทังยิ่งใหญ่หากฉันฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของฉัน ไมม่ย ร, ร, รผู้ใดทีด่การลงโทษได้หันเหออกจากเขาในวันนั้นแล้วแน่นอนพระองค์ทรงเมตตาเขาและนั่นคือชัยชนะอันชัดเจดลลดน และหากว่าอัลลอฮทรงให้ความเบื่อร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดประสบกับเจ้าแล้วก็ไม่มีผู้ใดจะปลดเปลื่มมันได้นอกจากพระองค์เท่านั้นและหากพระองค์ทรงให้ความดีอย่างหนึ่งอย่างใดประสบกับเจ้าแท้จริงพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพ เหนือลุกสิองคงคือผู้ทรงอานาจเหนือปวงเบาของโลกและพระองค์คือผู้ทรงปรีชายาผู้ทรงรอบรู้อย่างยิ่ง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 มมลแล้วผลในการทดสอบพวกเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างอื่นนอกจากพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่อหรอผู้เป็นท่าผู้อวิบาลนของเราว่าพวกเราไม่เคยเป็นผู้ให้มีภาคีขึ้นแต่อย่างน้น อันธ كيف เกดบ وا على أنفسهم ว่าบลล์ عنهم ม่า كانوا يختارون มุฮัมัดจงพิจารณาเกิดว่าพวกเขาได้โกหกตัวของพวกเขาเองอย่างไรและสิ่งที่พวกเขาอุปลโลกขึ้นก็หายไปจากพวกเขาว่ามิน هم มันยัสมิ่อิลัย وجعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوه وفي أذانهم و ق ر ا ن وإيروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن ในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่สดับฟังพวกเจ้าหรูอว่าแต่เราได้มีสิ่งปิดกั้นอยู่บนหัวใจของพวกเขาในการที่พวกเขาจะเข้าใจอันพุรราะและไดใ้ในหูของพวกเขามีความหลวอกอยู่ด้วยรากพวกเขาเห็นสัญญาณทุกอย่างพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาจนกระทั่งพวกเขาได้มาหาเจ้าทั้งอย่างโต้เถียงกับเจ้า บรรดาผู้ปฏิเสธสัตานั้นจะกล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นเพียงนิยายโบราณเท่านั้นและพวกเขาห้ามเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานและพวกเขาก็ปลีกตัวออกจากอัลกุรอานด้วย และพวกเขาจะไม่ทำให้ใครพ่นาศนอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้นแต่พวกเขาไม่รู้สึก ر, ب ب ي ي หากเจ้าจะได้เห็นขนาดที่พวกเขาถูกให้หยุดยืนอ ย, ยู่เบื้องหน้าไยนรก แล้วพวกเขาได้กล่าวว่าโอ้หวังว่าเราจะถูกนำกลับไปและเราก็ไม่ปฏิเสธบรรดาองค์การของพระวิบาลของเราอีกและเราก็จะได้กลายเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้สภาบบบลลดาลมมาามค น, น, น, นูุิก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 มันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราในโลกนี้เท่านั้นแลวเรานั้นใช่ว่าจะเป็นผู้ถูกให้ฟื้นคืนชีพ ว, ว้ า, หาไหม่หากว่าเจ้าจะได้เห็นขณนะที่พวกเขาถูก ให้ยืน อ, อยู่เบื้องหน้าพระผู้ิบาลของพวกเขาโดยที่พระองค์ได้ทรงกล่าวว่านี่ไม่ใช่ความจริงหรอกเรยพวกเขาตอบว่าใช่ครับขอสาบานต่อพระผู้ิบาลของพวกเราพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษจนถอะเนื่องจากการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา هم الساعة تتا قالوا قالوا يا حسرتنا นี่หนนได้ขาดทุนไปแล้วบรรดาผู้ปฏิเสธต่อการทุบหอ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 ระชวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นไม่ใช่อะไรอยู่นอกจากการเล่นการเพลิดเพลินเท่านั้นและแน่นอนสำหรับบ้านแห่งอาคิรอนนั้นดียิ่งกว่าสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงหาพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรื เราราบดีว่าสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้นทำให้เจ้าเสียใจยที่จริงพวกเขาหาได้กริเสียเจ้าไม่แต่เขาว่าบรรดา فطيئت <تصفيق> همنا أمكان ولقد كذبت رسلا من قبلك ف ص َ ر و ا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين. และแนนอนบรรดาศาสนาธตก่อนเจ้านั้นได้ถูกปฏิเสธมาแล้วและพวกเขาก็อดทนต่อสิ่งที่ถูกปฏิเสธและถูกทำลายจนกระทั่งความชื่อเหลือของเราได้มาหยักพวกเขาแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงำกำลังของเอาได้แตะแท้จริงนั้นได้มาถึงอย่างพวกเจ้าแล้วข่าวพราวของบรรดาผู้ที่ถูกส่งมา وَإِن كَانَ ك َ ب ُ ر َ ع َ ل َ ي ك َ إعْرَاضُهُمْ ف َ إ ِ ن ِ ا س ْ ت َ ق َ ع ْ ت َ أ َ ن ت َ بِتَغِيرٍ ف َ ق َ ل َ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا أَوْ سُلْمًا فِي ا ل س َّ م َ ا ي َ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْمُهْدَا فَلَا ت َ ك ُ ن َ ن ّ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 "وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أي ينزل آياته ولكن ما أثراهم لا يعلمون" พวกเขากล่าวว่าฉันใดเล่าจริงไม่มีสัญญาณหนึ่งจากพระผู้บัญนของเขาถูกประทานลงมาให้แก่เขาช่วงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ความแทที่จริงอัลลอนั้นทรงสา ม, มารถที่จะให้สัญญาณหนึ่งลงมาแต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ และไม่มีสัตว์ใดๆในแผ่นดินและไม่มีสัตว์ไปไีกใดๆที่บินด้วยสองปอีกของมันนอกจากประหนึ่งเป็นประชาชาติยังพวกเจ้านั่นเองเราไม่ได้ให้บกพร่องแต่อย่างใดในคำพีแล้วยังพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นพวกเขาจะถูกนำไปฉุน บรรดาผู้ปฏิเศษองค์การทั้งหลายของเรานั้นคือผู้ที่หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งอยู่ในความมืด ผู้ใดที่ล้าทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้เขาหลงทางและผู้ใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะทรงให้พวกเขาอยู่บนทางอันถินลมจงกล่าวเถิดอุมมัมัดเจ้าได้เห็นพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือ หากการลงทัของอัลลอ์มายัางพวกเจ้าหรือวันกียามาได้มายัางพวกเจ้าอื่นจากอาลัลลอฮ์กระนั้นหรือที่พวกเจ้าจะวิงวอนหาพวกเจ้าเป็นผู้พูด ون, ون, ชิ ون, ่ง ห, หาไม่ได้เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะวิงวอนขอ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 แท้จริงเราได้ส่งไปยังประชาชาติก่อนหน้าเจ้าแล้วเราก็ได้ลงโทษพวกเขาด้วยความแรงแคนและการเจ็บป่วยเพื่อว่าพวกเขาจะได้นอบน้อมแล้วเราจม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 ครั้นเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนให้รำลึกเราก็เปิดประตูของทุกสิ่งให้แก่พวกเขา จนกระทั่งเมื่อพวกเขาหลงระเริงต่อสิ่งที่พวกเขาได้รับเราก็ลงโทษพวกเขาโดยกรทรทันหันแล้วทนันใดนั้นพวกเขาก็บรรลาแล้ถูกตัดขาดจนคนสุดท้ายของกลุ่มผู้อธถรร์และการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของ All a ลอ a h ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสกากลโลกข้ออรา ית ุมที่อัลลอฮฺทรงได ك ทองได้ทรงด้ทรงได้ทรงได้ทรงได้ทรงได้ทรงได้ทรงได้ทรอไดรงไล้ทรงได้ทรงได้ทรงด้ทได้ทรงไ้ทริได้ทรงได้ทรงได้รงัดดรทรงไดลทางไทรงไมมทด้ทด้ท้ทรงได้ทด้วได่ทรงไร้้ร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 กล่าวเถมมิดนบัตว่าพวกเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าหากการลงโทษของอลอฮมาอย่างพวกเจ้าโดยกระทันหันหรือโดยเปิดเผยนั้นจะไม่มีใครถูกทำลายนอกจากบรรดากลุ่มผู้อาธรรมเท่านั้น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 กรจดาผูเสียงั์การของเรานั้นการลงาทษจะระบแก่พวกเขาเนื่งากการที ल ल ่พวกเขาทำั ल ल ่บรรดาผู้ปฏิเสธองค์การของเรานั้นการลงโทษจะประสบแก่พวกเขาเนื่องจากการที่พวกเขาทำชั่วลล ว่าละอัลลัมล์ลักริบว่าละอัลกูละคมอิ่นนีมเล็กอิ่นอั ي ต์ดิ ا ุ่ออิ่ลลามายูพาอิ่ลย و ัลฮัตวอับซอัลัตเฟกุนกล่าวเถิดอุมมัดว่าฉันจะไม่กล่าวแต่พวกเจ้าว่าที่ฉันมีครั้งสมบัติของอัลลอ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 เจ้าชงตักเตือนด้วยอัลกุรอานแกบรรดาผู้ที่เกรงกลัวว่าพวกเขาจะถูกนำไปชุมลุมยังพระผู้อวิบาลนของพวกเขาโดยที่อื่นจากพระองค์แล้วไม่มีผู้คุ้มครองใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขา ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. จเจ้าจงยาขับไล่บรรดาผู้ที่วินวรต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาทั้งในยามเช้าและอย่างเา ย, ง ย, งยง็โดยปราถนาความโปรดปรานจากพระสภาพของพวกเขาไม่เป็นภัยแก่เจ้าแต่อย่างไดและสภาพของเจ้าก็ไม่เป็นภัยแก่พวกเขาแต่อย่างใดแล้วเหตุใดเล่าจึงจะขับไล่พวกเขาถ้าเจ้าทำเช่นนั้นเจ้าก็จะกลายเป็นผู้หนึ่ง <تصفيق> وكذلك فتنا بعضهم ببعض ويقول ه و ل ا َ من الله عليهم ه و ل ا ء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم ب ا ل ش ا ِ ر ي ن لَيْنَيْتَمْ <تصفيق>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 ออนมม to และเมื่อบันดาลผู้ที่ศรัทธาต่อองค์การของเราได้มาหาเจ้าก็จงกล่าวเถอดว่าขอความสันติจงมีแด่พวกเจ้าเถิด พระผู้วยบานของพวกเจ้าได้กําหนดความเอ็นดูเมตตาไว้ที่ตัวของพระองค์แล้วว่าผู้ใดได้หมู่พวกเจ้ากระทําความชั่วโดยไม่รู้แล้วเขาสํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหลังจากนั้นและปรับปรุปงแก้ไขแล้วแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอิบบร และในทํานองนั้นเราจะแจกแจงองค์การทั้งหลายและเพื่อที่วิถีทางของผู้กระทําผิดจะได้ประจักษ์ชั <ed it> นนน ด, ด ل ل จงกล่าวเถิดม ว่าแท้ที่จริงฉันถูกห้ามไม่ให้เคารพสการะบรรดาผู้ที่พวกเจ้าวิงวนกันอยู่อื่นจากเลาหรอต้องกล่าวเถิดว่าฉันจะไม่ปฏิบัติตามความค่ของพวกเจ้าถ้าเช่นนั้นฉันก็ย่อมหลงผิดไปด้วยอย่างแน่นอนแต่ฉันก็จะไม่ใช่เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ได้รับทางนิน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 ล كم, และพระองค์คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าตายในเวลาตอนคืนและทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำขึ้นในเวลาตอนบาัาแล้วก็ทรงให้พวกเจ้าฟื้นคืนชีพในเวลานั้น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 พระองค์คือผู้ส่งอำนาจเหนือปวงบาปของพร่องค์และทรงส่งผู้บันทึกความดีและความชั่วมาอย่างพวกเจ้าด้วยจนกระทั่งเมื่อความตายได้มาอย่างคนใดในหมู่พวกเจ้าแล้วบรรดาโทษของเราก็จะรับชีวิตของพวกเขาไปโดยที่พวกเขาจะไม่ทให้บกร่องล ق, พวกเขาก็ถูกนำกลับไปยับเอาล้อผู้เป็นนายอันแท้จริงของพวกเข า, พาพเพงทราบเกิดว่าการตัดสินชี้ขาด น, นั้นเป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้นและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รวดเร็วยิ่งในหมู่ผู้ชำระสอบสวนทั้งหลาย งลงกล่าวเถิดมูัมหมัดว่าใครเล่าจะช่วยพวกเจ้าให้พลนจากความมืดของทางบกและทางทะเลโดยที่พวกเจ้าวิงวองขอโพรลงด้วยความนอกน้อมและแผ่วเบาว่า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 الله القادر على أيبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياو ي ذ ق بعضكم بأس بعض.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 ว่าฉันไม่ใช่ผู้พิทักษ์พวกท่านหรอกสำหรับแต่ละข่าวคราวนั้นย่อมมีเวลาที่เกิดขึ้นแะพวกเจ้าจะได้รู้สำารับต่ละข่ยะคูดูนั้นยอามีเวลาทอ่เกิดขึ้นและพวกเจีาจะไดรู้ ي ي และเมื่อเจ้าเห็นบรรดาผู้ที่กำลังวิพาวิจาร์บรรดาองค์การของเราแล้วก็จงออกห่างจากพวกเขาเสียจนกว่าพวกเขาจะวิพาววิจาร์ในเรื่องอื่นและถ้าชัยตอนทำให้เจ้าลืมก็จงอย่านั่งรวมกันกับพวกที่อาจทาเหล่านั้นต่อไป หลังจากที่มีการเตือนให้ลึกขึ้นได้และไม่เป็นภัยแก่ผู้ที่ยัมเกรงแต่อย่างไนจากสภาพของพวกเขาแต่ถ้าว่าต้องตักเตือนพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะได้ยัมเกรง و َ ذ َ ر الَّذِينَ ا ت َ خ َ ذ ُ و ا دِينَهُمْ ل َ ع ِ ب َ و َ و َ ل َ ه ُ م و َ غ َ ر َ ر ت ْ ه ُ م ُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْ ف ِ ي ه أَن تُبِسَ لَنَا ل ص ّ ب ْ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ و َ ر ِ ي ّ وَلَا شَفِيعٌ و َ إ ِ ن ت َ ع ْ د ِ ل ك ُ ل ّ ع َ د ْ ل اللَّهِ ُ خ َ ذ مِنْهَا อคอบาคา บ, ลล บ, มมอบอซบกสบและบุญชอบุมมิมิวบุอมุมบมาคานคลและจงอย่ายุ่งเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ยึดเอ า, าศาสนาของพวกเขาเป็นของเล่นและสิ่งให้ความเพื่อดเปิดและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ได้หลอกอวงพวกเขา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 ونرد على عقابنا بعد إذهدان الله كلّ بسّه وتم الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحابه يدعونه إلى ا ل ه د أ ت نا قل إنه د الله هو الهدا ท ร, ร, ร, รงกล่าวเถิด ม, มูฮัมมัดว่าเราจะวิงวอนขอต่อสิ่งที่ไม่ให้คุณแก่เราได้และไม่โทษแก่เราได้อืนจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือแล้วเราก็จะถูกให้หันส้นเท้าของเรากลับหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ทาง น, นำแกเราดังผู้ที่พวกชายตอนได้ทําให้พวกเขาหลงเข้าไปในแผ่นดิน ในสภาพที่งงงวดซึ่งเขามีเพื่อนๆเรียกร้องให้ไปสู่ทานนงนำที่ถูกต้องว่าจงมาหาพวกเราเถิดจงกล่าวเถิดมวนมัตว่าแท้ที่จริงทานนงนำของลอตเท่านั้นคือทานนงนำที่ถูกต้องและพวกเราได้รับบัญชาให้สวามิภักดิ์แด่พระผู้อธิบาลแห่งสาบลญลล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 ลลลรพระองคือผู้ที่ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความจริงและวันที่พระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเป็นขึ้นและมันก็จะเป็นขึ้นพระดำนัสของพระองค์งคือความจรงิงและอำนาจทั้งหลายนั้นเป็นของพระองค์ ในวันที่แตรจะถูก ป, ปรัพระองคือผู้ทรงรอบรู้สิ่งลึนลับและสิ่งเปิดเผยและพระองคือผู้ทรงปริชาญาณผู้ทรงรอบรู้อย่างยิ่งว่าอิบฺกาลีอิบราฮิมุลอบีห์อาซร์อัสตัชดอัลนาแมนอาลฮะอินนีอาราค์วะวมักฟีดัลลั ม, มุบี จงล้ำลึกถึงขณะที่อิบรอฮิมได้กล่าวกับบิดาของเขาคืออาชาัดว่าท่านจะยึดอบรัดาจเวดเป็นพระเจ้าการะนั้นหรือแท้จริงฉันเห็นว่าท่านและกลุ่มชนของท่านนั้นอยู่ในกลุ่มผู้ที่หลงผิดอันชัดแจ้ง และในตำนองนั้นแหละเราจะให้อิบราฮิมเห็นอำนาจอันยิ่งใหญ่ในบรรดาชั้นฟ้าและผันดิ์และเพื่อที่เขาจะได้เป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้เชื่อมั่นทั้งหลายกลลลจาบบอร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 ขันเมื่อเขาเห็นดวงจันทร์กำลังขึ้นเขาบอกกล่าวว่านี่คือพระเจ้าของฉันแต่เมื่อมันหายลับไปเขาก็กล่าวว่าถ้าพระเจ้าของฉันม่ทรงให้ทางนำฉันแล้วแน่นอนฉันก็จะกลายเป็นคนหนในกลุ่มชนที่หลงผิด ฟัอลมางรบบลาลลเสลมออมม์มุชริกุนั้งเื่อเขาเห็นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเขาก็กล่าวว่านี่แหละคือพระเจ้าของฉันนี่แหละใหญ่กว่า แต่เมื่อมันหายลับไปเขาก็กล่าวว่าพวกกลุกชนของฉันถ้าจริงฉันขอปลี่ตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าตั้งพระคีขึ้นแก่เลาแท้จริงฉันขอผิลีนหน้าของฉันแด่พระผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน ในฐานะผู้ที่ไฝหาความจริงแต่ฉันไม่ใช่คนอื่นในหมู่ผู้ตั้งพาคี่จ๋าหริิูนบอลอยา บกลุ่มชนของเขาได้โต้เถียงเขาเขาได้กล่าวว่าพวกเจ้าจะโต้เถียงฉันในเรื่องอหหลกระดั้นรือฤแท้จริงพระองค์ได้ทรงให้ทางนําแก่ฉันแต่ฉันจะไม่กลัวสิ่งที่พวกเจ้าตั้งให้เป็นภาคีขึ้นนอกจากพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง พระนั้อภิบาลของฉันนั้นมีความรู้กว้างขวางทั่วทุกสิ่งแล้วพวกเจ้าไม่ล้ำลึกกันบ้างหรือ และอย่างไรเล่าที่ฉันจะกลัวสิ่งที่พวกเจ้าได้ตั้งพาร์ทขึ้นโดยที่พวกเจ้าไม่กลัวที่พวกเจ้าได้ตั้งภาร์ทีเก่าหรอกซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้มีหลักฐานใดๆลงมาแก่พวกเจ้าในสิ่งนั้นแล้วฝ่ายใดเล่าในสองฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่สมควรต่อความปลอดภัยยิ่งกว่าหาพวกเจ้าหรือ ผล้ที่มาพูดศรัทธาโดยที่ไม่ได้เห็นความศรัทธาของพวกเขาประพนกับกานด้านภาคีต่อรอนั้นชั่หล่านี้แหละพวกเขาจะรับความปลอดภัย และพวกเขาคือผู้พี่รับเอาทางนำอันถูกต้องไว้และด้านคือหลักฐานที่เราได้ให้มันแกอิบราฮิโดยมีฐานะเหนื้อกลุ่มชนของเขา เราจะยกผู้ที่เราประส์ขึ้นหลายขั้นแท้จริงพระผู้บายของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้ว ين ين แลวเราได้แก่เขาคืออิสหาและยาคุทั้งหมดนั้นเราได้ทงนดำแล้วและนัวเราก็ได้ทงนดำแล้วแต่ก่อนอ้วนและจากลูกหลานของเขานั้นคือดาวูดสุไลมานและอายุ และยูซุและมูซาและฮารูและในทําหนองนั้นเราจะขอบแทนแก่ผู้ที่กระทาําดีทั้งหลายว ال และสคาริยาและยายาและอิสซาและอิสฮาทุกคนนั้นอยู่ในหมู่คนนี้วะอิสมาอีลและยาเซาและยูนา وكلهم تضلنا على العالمين. لا إ س م ع ي ل ل ل جعفر، ل يونس، لا رود. แต่ละคนเราได้ดีเด่นเหนือกว่าประชาชนในสายลโลก ومن آبائهم وذريةهم وإخوانهم و ج ت ب ي ن ا ه م و ه د ي ن ه م إلى صراط مستقيم.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 คือคำแนะนำของอัลลอฮ์โดยที่พระองค์จะส่งแนะนำผู้ที่พระองค์ทรงประสงิ์ในหมู่ปวงบาวของพระองค์ด้วยคำแนะนำนั้นและหาพวกเขาได้ตั้งพาทีขึ้นแล้วแน่นอนสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำกันมาก็สูญสิ้นไปจากพวกเขาออุลลาากัดน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 ว่าฉันจะไม่ขอค่จาจ้างใดๆจากพวกเจ้าในการศรัทธาต่ออัลกุรอานที่จริงอัลกุรอานนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นคำเตือนสำหรับประชาชาติในสายพลกุลลก قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ن و ر ا و ه دل ى الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخون ف كثيرات وعلمتم ما لم تعلمو ا أنتم ولا آباؤكم ลมมลลและพวกเขาไม่ได้ความยิ่งใหญ่แกล้วตามความยิ่งใหญ่ของพระจงดำลึกขณะที่พวกเขากล่าวว่าอลอฮ์ ah, ไม่ได้ประทานสิ่งใดให้แก่มนุษย์คนใดจงกล่าวเถิดมัมหมัดว่าผู้ใดเล่าที่ได้ทรงประทานลงมาซึ่งคำที่ที่นบีมูซานำมาเป็นแสงสว่าและคแนะนแก่มนุษย์ ซึ่งพวกเจ้าได้บันทึกไว้ในกระดาษโดยที่จะได้เปิดเผยมันแล้วก็ปกปิดมันไว้มากมายและพวกเจ้าถูกสอนในสิ่งที่พวกเจ้าและบรรพุรุษของพวกเจ้าไม่ได้รู้มากกอนาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าผู้ทรงประทานคืออัลลอฮ์นั่นเองแล้วจงปล่อยพวกเขาสนุกสนานกันในการวิาพากวิจารณ์ของพวกเขาต่อไป َهَادَا أَنزَلْنَاهُ يَدَيْهِ حَوْلَهَا بِهِ وَهُمْ كِتَابٌ مُبَارَكُمْ الَّذِي الْقُرَى وَالَّذِينَ بِالْآخِرَةِ مُصَدِّقُ بَيْنَ وَلِكُنْ وَمَنْ أُمَّ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ ذِرَ صَلَاسِهِمْ يُحَافِرُونَ عَلَى นี่คือคำภีที่เราได้ประทานลงมาอันเป็นคำพีที่มีความจำ และจะยืนยันสิ่งซึ่งอยู่ก่อนหน้าคัมภีร์นี้และเพื่อที่เจ้าจะได้ตักเตือนคนในหัวเมือและผู้ที่อยู่รอบๆหัวเมือ น, นั้นและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อพระโลคนั้นพวกเขาย่อมศรัทธาต่อคัมภีร์นี้และขณะเดียวกันพวกเขาก็จะรักษาการละหมาดของพวกเขา وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ اسْتَرَ عَلَى اللَّهِ ك َ ذ ِ ب ا أَوْ قَالَ أ ُ و ح ِ ي إلَيَّ وَلَمْ ي ُ و ح َ إلَيْهِ ش َ ي ْ ئ ا وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ ت َ ر َ أ َ ي ِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُ أَيْدِيهِمْ และใครเล่าคือผู้ที่อารรมยิ่งกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แกวหรือกล่าวว่าได้ถูกประทานแก่ฉันทั้งๆ ท, ที่มิได้มีสิ่งใดถูกประทาน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 เนื th, um, e eu, people, ่องจากการที่พวกเจ้าเคยกล่าวให้ร้ายแก่วรดโดยปราศจากความจริงและเนื่องจากการที่พวกเจ้าย่โสต่อบรรดาองค์การของเระา และแน่นอนพวกเจ้าได้มาที่เราโดยลำพังดังที่เราได้บังเกิดพวกเจ้ามาในครันแว่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 แล้วอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าถูกให้หันเห อ, ออกไปจากความจริตได้าาดด ال ผู้ทรงเผยอะรุโนไทยและทรงให้กลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เกิดการคำนวณ นั่นคือการกำหนดให้มีขึ้นของผู้ทรงเดชะรุ่ภาคผู้ทรงรอบทูพระองค์คือผู้ทรงให้มีดวงดาวทั้งหลายแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะรับการนำทางด้วยดวงดาวเหล่านั้นทั้งในความมืดแห่งทางบก และทางทะเลแน่นอนเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลุ่มชนที่รู้และพระองค์คือผู้ทรงให้เจ้าเกิดขึ้นจากชีวิตมนุ โดยให้มีที่พักและให้มีที่ฝากแน่นอนเราได้แจกแจงโอ้งการทั้งหลายไว้แล้วสนับกลุ่มชนที่เข้าใจว่าหวัลลดีอันซลมินสมาอิม اء อันตะอ خر จนาบิฮีลบาทคุลลชัย فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من ط ل ع ه ا ق ن و ا ن د ا ن ي ت وجنات وجنات ََ من ِ أ ع َ ا ب ٍ والزيتون ََُ والضمان َ مشت به ِ وغير َََ متشابه ََُ انظروا ُ إلى ثمره َِ إذا َِ أثمر َ و َ ي َ ن ع ه إن في ِ ذلكم َُِ لآيات لقوم َِْ يؤمنون. ُเพราะงั้นคือผู ا ที่ส่งให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้า และส่งให้ออกมาด้วยน้ํานั้นซึ่งพันธุ์พืชของทุกสิ่งและเราได้ออกจากพันธุ์พืชนั้นซึ่งสิ่งที่มีสีเขียวจากสิ่งที่มีสีเขียวนั้นเราได้ออกมาซึ่งมเมล็ดที่ซ้อนตัวกันอยู่และจากต้นอินทปรปลัมนั้นด่างของมันห้อยต่ำลงมาและสวนอ่างนวลและมะกอกและทับทิมโดยมีสภาพคล้ายกันและไม่คล้ายกัน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 สอพวกเขาได้มีขึ้นแก่ Allah ซึ่งบรรดาพาคีหังยินทั้งๆ ท, ที่พระองค์ทรงบังเกิดมันแต่พวกเขาได้อุปโลกให้แก่พระองค์ซึ่งบรรดาบุตรชายและบุตรจิงโดยปราศจากความรู้พระองค์ทรงบริสุทธิ์และทรงสูงส่งเกินกว่าที่พวกเขาให้ลักษณะอย่างนั้น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 และพระองนั้นก็ทรงรู้ทุกสิ่งด้วยนั่นแหละคืออัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพร่อง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 และผู้ใดที่มองไม่เห็นก็ย่อมเป็นไถยแก่ตัวของเขาเองและฉันไม่ใช่ผู้พิทักษ์รักษาพวกเจ้าและในทำนองเดียวกันเราจะแจกแจงองคการทั้งหลายไว้เพื่อพวกเขาจะได้กล่าวว่าเจ้ามุฮัมมัดได้ศึกษามา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 และเจ้าก so ็ไม่ใช่ผู้รับมอบหมายให้คุ้มครองรักษาพวกเขาด้วย َلَا الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهَ تَسُبُّ فَيَسُبُّ كَذَالِكَ يَدْعُونَ مِنْ أُمَّتٍ عَمَلَهُمْ لِكُلِّ زَيَّنَّا مَرْجِعُهُمْ พวกเจ้าจงอย่าด่าว่าบรรดาพวกวิงวอนขออื่นจากอาลัลลอฮ์จะเป็นเหตุให้พวกเขาด่าว่าอาลัลลอฮ์อยากเป็นสตูโดยปราศจากความรู้ในทํานองนั้นแหละเราได้วความสวยงามแก่ทุกๆุกประชาชาติซึ่งการงานของพวกเขา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 และพวกเขาได้สาบานต่อลออย่างหนักแน่นว่าถ้าหากมีสัญญาณหนึ่งมาอย่างพวกเขาแน่นอนพวกเขาจะศรัทธาเนื่องด้วยสัญญาณ น, นั้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้ที่จริงสัญญาณทั้งหลายนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์เท่านั้น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 และแม้ว่าเราได้มาลัยกะลงมาอย่างพวกเขาและบรรดาคนตายได้พูดกับพวกเขาและเราได้รวบรวมเอาทุกสิ่งไว้เบื้องหน้าของพวกเขาก็ใจว่าพวกเขาจะสรัทธากัน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 أفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي ح َ ك َ م ً ا و َ ه ُ و َ ا ل َّ ذ ِ ي أَنزَلَ إلَيْكُمُ ِ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا و َ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن ْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ إ ِ ن ك َ ا ب ألغتراندث. َที่ฉันจะแสว و หาผู้ชี้ขาด ทั้งทงที่พระองค์เป็นผู้ทรงประทานคมภีลงมาแก่พวกเจ้าในสภาพที่ถูกแจกแจงไว้อย่างละเอียดและบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีแก่พวกเขานั้นในพวกเขารู้ดีว่าแท้จริงอุลกานนั้นถูกประทานลงมาจากพระผู้อวยบานของเจ้าด้วยค่ามเป็นจริงเจ้าอย่าได้อยู่ในความสงสัยเป็นอันขาด มบบถ้อลลยคำจากพระพุิบาลของเจ้านั้นครบท้วนแล้วซึ่งความสัก จ, จากและความยุติธรรมไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงบรรดาท้อยคำของพระงได้และพระงนั้นคือผู้สรงได้ยินผู้สรงรอบรู้ หากเจ้าเชื่อฟังคนส่วนมากในผ่านบินแล้วพวกเขาก็จะทำให้เจ้าหลงจากทางของลับไปได้พวกเขาจะไม่ปฏิบัติตามนอกจากนึกคิดเอาเอง และพวกเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดนอกจากพวกเขาจะคาดทะนิยเอาเองเท่านั้นอินนรบบะกะฮวอลัมมัยะแท้จริงพระผู้บานของเจ้านั่นคือผู้ที่ทรงรู้ดียิ่งต่อผู้ที่กำลังหลงไปจากทางของถกและเป็นผู้รู้ดียิ่งต่อบรรดา มมแต่นั้นพวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่พระนามของมรดถูกกล่าวออกมาบนบันทึก หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อ ل าดาลโ و รงการของพวกเจ้า ออินนะรบวลัมิมะดีมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเจ้ากระ น, นั้นด้วยที่พวกเจ้าจะไม่บริโภคสิ่งที่ทานามของล้อถูกกล่าวบน ม, มันทั้งๆ ท, ที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามแก่พวกเจ้านอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความขับขันให้ต้องการเท่านั้นแต่แท้จริง มีผู้คนมากมายที่ทำให้ผู้อื่นหลงผิดไปด้วยอารามณ์ไฝต่ำของพวกเขาโดยปราศจากความรู้แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงรู้ดียิ่งต่อผู้ละเมิดทั้งหลาย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 วและวพวกเจ้าจงอย่าบริโภคสิ่งที่พระนามของอัลลอฮฺมิได้ถูกกล่าวบนมันและถ้าจริงมันเป็นการละเมิดอย่างแน่นอนและถ้าจริงบรรดาชัยตอนนั้นกระซิบกระซาบแก่บรรดาสหายของมัน เพื่อพวกเขาจะได้โตเถียงกับพวกเจ้าและถ้าหาพวกเจ้าเชื่อฟังพวกเขาแน่นพวกเจ้กเาก็เป็นผู้ที่ตั้งพาทีขึ้นแก้ว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 ได้ถูกประดับให้สวยงามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้กระทำกันและในทานองนั้นแหละเราได้มีขึ้นในแต่ละตำบล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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا ل َ ن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ ع ِ ن د َ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا ي َ م ك ُ ر ُ و ن َ และเมื่อได้มีองค์การใดมายังพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าเราจะไม่ศรัทธาแกนันขาดจนกว่าเราจะรับอย่างที่บรรดาศาสน า, า, าพูดของอัลลอฮ์ได้รับมาแล้วอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งที่พระองค์จะทรงให้มีสารของพระองค์บรรดาความถ่งต้อยและการลงโทษอันรุนแรงจากอัลลอ์นั้นจะประสบแก่บรรดาผู้ที่กระทำความผิดเนื่องจากการที่พวกเขาวางอุบายหลอกลวงกัน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 ใจเขาได้รับฐานะพระองค์ก็จะทรงให้หัว อ, อกของพวกเขาเบิกบานเพื่ออิสลามและผู้ใดที่พระองค์ทรงต้องการที่จะปล่อยเขาหลงทางก็จะทรงให้หัวอกของพวกเขาแคบอิดตัดเพราะหนึ่งว่าพวกเขากําลังขึ้นไปบน ฟ, า ฟ, าฟา้าฟ้าในทํานองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้มีความโสม ม, มแก่บรรดาผู้ที่ไม่สัมุสมัส น, ي ي นี่แหละคือทางแห่งพระผู้ยบาตของเจ้าอันที่งดุถ้าจริงเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสำหรับลูกชนที่ต้องไปสำหรับพวกเขานั้นคือบ้านแห่งความสันติ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 ล้วันที่พระองค์จะทรงชุมนุมพวกเขาไว้ทั้งหมดโดยกาทรกาทิ้งดดว่า ผู้ยินทั้งหลายแท้จริงพวกเจ้าไดกระทำแก่มนุษย์มากมายและบรรดาสหายของพวกเขาจากมนุษย์ก็ได้กล่าวว่าโอ้พระวิบาลของเราบางส่วนของพวกเรานั้นไดรับประโยชน์ด้วยอีกบางส่วนและพวกเราก็ได้ถึงซึ่งกำหนดเวลาของพวกเราที่พระองค์ไดทรงกำหนดไวแก่พวกเราพระมตรดาว่านารกนั้นคือที่อยู่ของพวกเจ้า โดยที่จะอยู่ในนั้นตลอดกาลนอกจากสิ่งที่ล้อสุงประสงค์เท่านั้นถ้าจริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงปริชาญาณผู้ทรงรอบรู้ในธรรมนองนั้นแหละเราได้บางส่วนของผู้อาจทมทั้งหลายเป็นสหายกับอีกบางส่วนเนื่องจาก <سؤال> يا قوة لكي معشر الجن والإنس لم يأتكم ر س ل منكم يقصون عليكم آياته يقصون عليكم آياته ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا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 พระผู้อวยบาปของเจ้านั้นมิเคยเป็นผู้ทําลายเมืองต่างๆได้ความมาธรรโดยที่ชาวเมืองเหล่านั้นมิรู้อริยธรรมงานสำหรับแต่ละคนนั้นมีหลายระดับขั้นเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ และพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นไม่เคยเถิดอไฟในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำกันและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นคือผู้ทรงมั่ ง, ง, งมีง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 จะมีมาแน่นอนและพวกเจ้านั้นไม่สามารถจะรอดพ้นได้จงกล่าวเถิดมูหมมัดว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงปฏิบัติตามสภาพของพวกเจ้าเถิด แจริงฉันก็เป็นผู้ปฏิบัติด้วยแล้วพวกเจ้าจะได้รู้ว่าใครกันที่บ้านปลายแห่งฟรโลกนั้นจะเป็นของเท่าแท้จริงบรรดาผู้อนานั้นจะไม่ได้รับความสาเร็จ และวพวกเขาได้มีส่วนหนึ่งสำหรับอ <Jazz> <ats> ัลลอะ์ซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้มีขึ้นอันได้แก่พืชและปะสุสัตโดยที่พวกเขากล่าวว่านี้สำหรับอัลลอฮ์ตามการอ้างของพวกเขา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 قتل أولادهم شركائهم ل ي ؤ วล ه م وليلبسوا ع ก ي ه าว ي ن ه า ولو شاء الله ล ا ف ع า و ه فدرهم وما يفترون ในทำนอง น, นั้นแหละบรรดาภาคีของพวกเขาได้ทำให้สวยงามแก่พวกตั้งภาคีจำนวนมากโดยการฆ่าลูกๆของพวกเขา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 ล im และพวกเขากล่าวว่านี่คือปสัสสตว์และพืชผลที่หัวง้ามไว้ซึ่งไม่มีใครจะบริโภคมันได้นอกจากผู้ที่เราประสนเท่านั้นด้วยการกล่าวอ้างของพวกเขา และปัสสุสัตที่หลังของมันถูกห้ามและปัสสุสัตที่พวกเขาจะไม่กล่าวนามของอัลลอฮ์บนมันทั้งนี้เป็นการอุปโลกความเท็ดให้แก่พรกซึ่งพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้อุปโลก และพวกเขากล่าวว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของปะสสตว์เหล่านี้นั้นอาบุมัตเฉพาะบรรดาผู้ชายของเราเท่านั้นและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่บรรดาภันยาของเราและหากว่ามันตาย พวกเขาก็เป็นผู้มีหุ้นส่วนในมันและพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาในการที่พวกเขาได้กำหนดลักษณะไว้แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงฟรีชายาผู้ทรงรอบรู้。<c oughs> แท้จริงได้ขาดทุนแล้วบรรดาผู้ที่ฆ่าลูกๆของพวกเขาเพราะความโง่เขลาโดยปราศ จ, จากความรู้และห้ามสิ่งที่เอาล็อกให้เป็นปัจจัยอย่างยืนแก่พวกเขาทั้งนี้เป็นการอุ ป, ปโลกความเท็จให้แก่เอาล็อกแท้จริงนั้นพวกเขาหลงผิดไปแล้ว โดยที่พวกเขาไม่เคยได้รับคำแนะนำเลย。 พวกนั้นคือผู้ที่ทรงให้มีสวนทั้งหลายขึ้นทั้งที่ถูกให้มีร้านและไม่ถูกให้มีร้านและต้นอินทพ ล, ลัมและพืชโดยที่ผลของมันมีรสชาติต่งตางๆกันและต้นใส่ตู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 ทุนมิน ม, ม่ารัศกะคุมัลล้าวต ع วคุตวาทิสชัยต้านอินนหูละคุมอดู ม, มุบีจากประสุสัตินั้นได้ทรงให้มีสัตว์ที่ใช้บรรทุกและใช้ผลเป็นประโยชน์จงเมื่อพวกจากสิ่งที่ยนล้อได้ทรงให้เป็นปัจจัยอ ย, ย่างชีพแก่พวกเจ้าเธอและจงอย่าตามก้าเดินของชัยตอน ثمانية <تصفيق> أزواج من الضأن اثنين ومن ا ل م ع ز اثنين قل آ ذ َ ك ر ي ن ح ر م َ أ م ا ل أ ن ث ي ي ن أ م ا ش ت م ل ت ع ل ي ه ِ أ ر ح ا م ا ل أ ن ث ي ي ن ن ب ِ و ن ي ب ع ل م م ن ك م และได้ทรงให้มีสัตว์แปดตัวเป็นคู่กู้คือจักแกะสองตัวจากแพะสองตัวจงกล่าวเถิดมุ ม, มันว่าตัวผู้สองตัวนั่นหรือที่พระองค์ทรงห้ามหรือว่าตัวเมียสองตัวนั้นหรือที่มดลูกของตัวเมียทั้งสองนั้นได้คุ้มครองรักษาไว้พวกเจ้าจงแจ้งให้ข้าทราบด้วยความรู้อันใดก็ได้หากพวกเจ้าพูดจริง ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آت بثري ن حرم من ا ل أ ن ث ي ن أم ا ش ت م ل ت عليه أرحام ا ل أ ن ث ي ن أم كنتم شهدا إذ و ص ّ م الله بهذا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 รู้ว่าพวกเจ้าร่วมอยู่ขณะที่อัลลอฮ์ได้ทรงรับสั่งแก่พวกเจ้าด้วยสิ่งนี้ก็ใครเล่าเป็นผู้อาจ ร, รมไปยิ่งกว่าผู้ที่ได้อุปโลงความเท็จให้แก่อัลลอฮ์เพื่อจะทําให้มนุษย์หลงผิดโดยนี่มีความรู้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนําแก่กลุ่มชนที่อาจฟีมมมมมาอออลลัุรรนทำ ميت สุขลาเถิดม <ang> ูฮัมหมัดว่าฉันไม่พบสิ่งที <t> ่ถ <creating> <speaking> um <immen> <t> ูกให้เป็นอการแก่ฉันนั้น มีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมันนอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเองหรือเลือดที่ไหลหรือเนื้อสุ ก, ก่อนแท้จริงมันเป็นสิ่งสกป ร, รกหรือเป็นสิ่งละเมิดซึ่งถูกกล่าวนามอื่นจากก๊อตที่มันถ้าผู้ใดได้รับความคับขันโดยมิใช่ผู้สแสวงหาและมิใช่ผู้ละเมิดแล้วใส่แท้จริงพระวิบากของเจ้านั้น وعلى الذين هدوا حرمنا كل ذهور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ش م ر ه م ا إلا ما خملت ذهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختل طبع ذلك جزيناهم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 บรรดาผู้ที่ตั้งภากีนั้นจะกล่าวว่าหากอัลลอฮฺทรงประสงค์แล้วพวกเราก็ย่อมไม่ตั้งภากสีขึ้นรวมทั้งบรรพบรุษของพวกเราอีกด้วยและพวกเราก็ย่อมไม่ห้ามสิ่งใดในคำนองนั้นแหละ บรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาก็ได้เคยโกหกมาแล้วจนกระทั่งพวกเขาได้ลิ้มรถการลงโทษของเราช่วงกล่าวเถิดมูฮัมมัดวราที่พวกเจ้านั้นมีความรู้ประการใดกระนั้นหรือฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องนำมันออกมาให้จเจรพวกเจ้าจะไม่ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการคาดคะเนเอาเท่านั้นและพวกเจ้าไม่มีอะไรกันนอกจากการกล่าวเพเท่านั้น คุลฟริลล้าฮิลฮุจทุลบาริกะฟลาวช้าละหดาอจ ع ีนจงกล่าวเถธอมอมันว่าแล้วนั้นทรงมีหลักฐานทุกอย่างห้าพร่งรงประสบแล้วแน่นอนพร่งก็ย่อมให้ทานนาแก่พวกเจ้าทั่วทุกคน أهل مشهد ا ا ن ك م الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بأياتنا، والذين لا يؤمنون بالآخرة. จงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงนำบรรดาพยานของพวกเจ้ามาเพื่อจะยืนยันว่าแท้จริงหลือได้ทรงห้ามสิ่งนี้และถ้าพวกเขาเป็นพยานยืนยันเจ้าก็จงอย่ายืนยันกับเขา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 ولا تقتلوا أولادكم من إ م ل ا ق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتل و ا ا ل نفس التي ح ر م الله إلا بالحق ذلك و ص ا ك م به لعلكم ت ع ق ل و ن ว่าพวกเจ้าจงมากันเถิดฉันจะอ่านให้ฟังสิ่งที่พระผู้อวิบาลของพวกเจ้าได้ห้ามแก่พวกเจ้าคือจงอย่าตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาหีกับพรุ่งและจงทำดีแก่บิดามารดาและอย่าฆ่าลูกของพวกเจ้าเนื่องจากความโดเราเป็นผู้ให้ปัจจัยยางชีพแก่พวกเจ้าและแก่พวกเขากลวยและจงอย่าเข้าใกล้สิ่งชั่วช้า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 และจงอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สินของเด็กกำพร้านอกจากด้วยมีธีทางที่ดียิ่ง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 แล้วเราได้ประทานคำผีให้แก่มูซาเพื่อครบรวนแก่ผู้ที่ทำดีและเป็นการแจกแจงให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างและเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตา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 ือวว่าาพกเจจ้ะได้รับความเตมตาออ่นจรินพวกเจ้าจะกล่าวว่าแท้จริงคำพีได้ถูกประทานลงมา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 ในทางนําที่ดียิ่งกว่าพวกเขาแท้จริงหลักฐานอันชัดแจ้งทางนําและความเมตตาานั้นได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วจากพระผู้อธิบาลของพวกเจ้าดังนั้นใครเล่าคือผู้ที่อาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่ปฏิเสธบดดาองการขอมหลอกและผิดหลังให้แก่องค์การเหล่านั้นเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ผือหลังให้แก่องค์การทั้งหลายของเราด้วยการลงโทษอันเลวร้าย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 ตกองกล่าวเถิดมัหมัดว่าแท้ที่จริงนั้นพระผู้บันของฉันได้แนะนำฉันไปสู่ทางที่ถูกตเป็นศาสนาที่แท้อันเป็นแนวทางของอิบรอฮิม ผู้ใฝ่หาความจริงแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้ตั้งพาชีต่อหรอกต้นคำเพื่อมุฮัมมัดว่าแท้จริงการละหมาดของฉันและการเชื่อสัตว์ลีของฉันและการมีชีวิตของฉันและการตายของฉันนั้นเพื่อวะผู้เป็นพระผู้อภิบาล ไม่มีภาทีใดๆสำหรับรมและได่สิ่งนั้นแหละที่ฉันถูกชายแต่ฉันคือคนแรกในหมู่มุสลิมทั้งหลกไม่มีพาธีใดๆสำหรับผมและนี่ส<ะ>ิ่งนั้นแหละที่ฉันถูกใช้แต่ฉันคือคนแรกในหู่มุสลิมทั้งาล จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอื่นจะตะลอดกระนั้นหรือที่ฉันจะแสวงหาพระผู้อภิบาล ท, ทั้งๆัที่พรุงนั้นเป็นพระผู้อภิบาลของทุกสิ่ง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 เพื่อที่พระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าแท้จริงพระผู้บาญาของเจ้านั้นเป็นผู้รวดเร็วในการลงโทษแต่ แ, แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ บทอัลอันามเป็นบทมัคคิยะนิย ah. ร